ธรรมบทแปลเรื่องพระสัพพธาสเถระภาคที่สี่เรื่องที่เก้าสิเ็พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรรบารมพระสัพพธาสเถระตรัพระธรรมเทศานานิว่าโยจะวัดสะสะตังชีเวกุศีโต อีนะวีริโยเอกหังชีวิตังเสยโยวีริยังอาระพะโตทันหังแปลว่าก็ผู้ใดเกยตกรนันมีความเพียรเลวสามพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของท่านผู้ปรารบความเพียรมั่นประเสริฐกว่าชีวิตของผู้นั้นตอนพระเถระ ให้งูกัดตัวดังได้สดับมารคุรบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสด า, าแล้วบรรพชาอุปสมบทแล้วก็โดยสมัยอื่นอีกเกิดเบื่อหน่ายแล้วจึงคิดว่าชื่อว่าภาวะแห่งกครือขัดไม่สมควรแก่คุรบุตรเช่นเรา แม้การดำรงอยู่ในบรระชาแล้วตายไปจึงจะเป็นความดีของเราเนงนี้แล้วก็เที่ยวคำหนึ่งหาอุบายเพื่อความตายของตนอยู่ภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายทรงน้ำแต่ชาวตรูทำพัฒกิจเสร็จแล้วไปสู่วิหารเห็นงูในโรงไฟ จึงใส่งูนั้นไว้ในหม้อใบหนึ่งปิดหม้อแล้วถือออกจากวิหารฝ่ายภิกษุผู้เบื่อหน่ายนั้นทำพัตเกจเสร็จแล้วเดินมาเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงถามว่านี้อะไรเมื่อพวกภิกษุตอบว่าเป็นงูจึงถามว่าท่านจะทำอะไรด้วยงูนี้ฟังคำของพวกภิกษุนั้น ที่กล่าวว่าจะทิ้งมันท่านจึงมีความคิดว่าเราจะให้งูนี้กัดตัวตายเสียจึงได้กล่าวกับภิกษุปุ้ น, น, นวานา่านํามาเถิดท่านกระผมจะทิ้งมันเองเขาจึงรับหม้อจากมือของภิกษุเหล่านั้นแล้วนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งก็ให้งูนั้นกัดตนงูไม่ปรารถนาจะกัด ภิกษุนั้นจึงเอามือล้วงลงไปในหม้อแล้วคนไปทางข้างโนนข้างนี้เปิดปากงูแล้วสอดนิ้วมือเข้าไปงูก็ไม่ปรารถนาจะกัดเลยเธอจึงมีความคิดว่างูนี้คงไม่ใช่งูมีพิษคงเป็นงูเรือนจึงทิ้งงูนั้นแล้วก็ไปอย่างวิหารลำดับนั้นภิกูุทั้หลายจึงกล่าวกับเธอว่า ท่านผมีอายุท่านทิ้งงูแล้วหรือภิกษุผู้เบื่อไหนนั้นท่านผู้มีอายุนั่นไม่ใช่งูพิษนั่นเป็นงูเรือนภิกษุทงหลายท่านผู้มีอายุนั่นเป็นงูพิษีเดียวแผ่แม่เบีย้ยใหญ่ขู่ฟู้ฟูพวกผมจับได้โดยยากเพราะเหตุไรท่านจึงว่าอย่างนั้นภิกษุผู้เบื่อไหนท่านผู้มีอายุก็ผมให้มันกัดอวัยวะบ้าง สอดนิ้วมือเข้าไปในปากบ้างก็ไม่อาจให้มันกัดได้พวกภิกษุเหล่านั้นฟังคำนั้นแล้วก็ได้นิ่งเสียตอนพระเทระบร ล, ลุหาราธแล้วมีชื่อว่าสัปปะทาสะภายหลังวันหนึ่งช่างกระระบบคือช่างตัดผมถือมีดโกนสองถึงสามเล่มไปยังวิหาร วางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้ที่พื้นเอาเล่มหนึ่งปลงผมของภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เบื่อหน่ายนั้นจับมีดโกนเล่มที่เขาวางไว้ที่พื้นแล้วคิดว่าเราจะตัดคอด้วยมีดโกนนี้แล้วให้ตายจึงยืนพาดคอไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอ ใกล่ครวญถึงศีลของตนจำเดิมแต่การอุปสมบทได้เห็นศีลหมดมนทินดังดวงจันทร์ปราศจากมนทินและดังดวงแก้วมณีที่ขัดดีแล้วเมื่อเธอตรวจดูศีลนั้นอยู่ปีติเกิดแผ่ซ่านทั่วสริระเธอข่มปีติได้แล้วเจริญวิปัสนา จึงบรรลุพระหรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาธทั้งหลายจึงได้ถือมีดโกนเข้าไปท่ามกลางวิหารลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงตามเธดว่าท่านผู้มีอายุท่านจะไปไหนภิกษุผู้เบื่อไหนก็ผมไปด้วยคิดว่าจะเอามีดโกนนี้ตัดก้านคอตายภิกษุเหล่านั้นก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ตาย ภิกษุผู้เบื่อไหนก็บัดนี้ผมเป็นผู้ไม่ควรนำศาสตรามาด้วยว่าตอนที่ผมคิดว่าจะตัดก้านคอด้วยมีดโกนนี้แต่ตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดโกนคือยานพวกภิกษุเหล่านั้นฟังดังนั้นแล้วจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ พยากรณ์พระอรหันตด้วยคำที่ไม่เป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสกิ้นว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขี่นาศพย่อมไม่ปลงตนจากชีวิตด้วยมือตนเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสภิกษุนี้ว่าเป็นพระกี่นาศพก็ภิกษุนี้ สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งพระอาหารหันต์อย่างนี้เหตุไรจึงเบื่อนายอะไรเป็นเหตุแห่งอุปนิสัยแห่งพระอาหารหันต์ของภิกษุนี้และเพราะเหตุไรงูจึงไม่กัดภิกษุนั้นพระโชก้าพระศาสดาภิกษุต้องหลายงูนั้นได้เป็นทาสของภิกษุนี้ในอัตภาพที่สจากอัตภาพนี้ และมันไม่อาจจะกัดศรีระของผู้เป็นนายของตนได้พระศาสดาทรงบอกเหตุอย่างหนึ่งแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วด้วยประการชนิดก่อนตั้งแต่นั้นมาภิกษุผู้เบื่อหนายนั้นจึงได้ชื่อว่าสัปพทาสะคือมีงูเป็นทาดตอนบุรพกรรมของพระสัปพทาสะเทระดังได้สดับมา ในการแห่งพระกัสสปะพระพุทธเจ้าบุตรแห่งคระบดีผู้หนึ่งฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วเกิดความสลดใจจึงบรรพชาได้อุปสมบทแล้วโดยสมัยอื่นอีกเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นจึงบอกแก่ภิกษุผู้สหายรูปหนึ่งทหายนั้นกล่าวโทษในภาวะแห่งครหัด แกเธอเนึ่งเนืองภิกษุผู้ที่ฟังคำนั้นแล้วก็ยินดียิ่งในพระศาสนาจึงนั่งขัดสมณบริการตั้งหลายซึ่งมีมนฑินจับในเวลาที่ไม่ยินดีก่อนให้หมดมนทินที่ใกล้ขอบสักแห่งหนึ่งฝ่ายสหายของภิกษุนั้นนั่งในที่ใกล้นั่นเองดำดับนั้น ภิกษุนั้นจึงกล่าวกับสหายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุก็ถอะเมื่อผมศึกแล้วผมปรารถนาจะถวายบริการนี้แก่ท่านสหายผู้นั้นเกิดโลภในบริการนั้นจึงคิดว่าเราจะต้องการอะไราด้วยภิกษุผู้นี้ผู้ยังบวชหรือศึกเสียบัดนี้เราจะยังบริการทั้งหลายให้ชิบหายดังนี้ตั้งแต่นั้นมา สายนั้นพูดคำเป็นต้นว่าผู้มีอายุบันนี้จะประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของพวกเราผู้ซึ่งมีมือถือกระเบื้องเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวในสกุลผู้อื่นทั้งไม่ทำการสนทนาปราศัยกับบุตรและปริยาเนี่ยนี้แล้วก็กล่าวคุณแห่งภาวะของเครือขัดภิกษุนั้นฟังคำของสายนั้นแล้ว เขาเกิดเบื่อหน่ายขึ้นเหมือนเดิมอีกจึงคิดว่าสหายนี้เมื่อเรากล่าวว่าเบื่อหน่ายก็กล่าวโทษในภาวะแห่งเครือข่าก่อนแบดนี้กล่าวถึงคุณนึงเนืองเพราะเหตุอะไรน้อแลเมื่อใครกรววอยู่ก็รู้ว่าพระภิกษุนั้นมีความโลภในสมณบริการเหล่านี้จึงกลับจิตของตน เสียด้วยตนเองทีเดียวเพราะความที่ภิกษุรูปหนึ่งถูกตนทำให้เบื่อหน่ายแล้วในการแห่งประกัสสปะพระพุทธเจ้าบัด น, นี้ความไม่ยินดีจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นด้วยประการชนีก็สมณธรรมอันใดที่ภิกษุนั้นบาเพ็ญมาสองหมื่นปีครั้งนั้นสมณธรรมนั้น เกิดเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัดของสัพปะทาสภิกษุในการบัด น, นี้แหละตอนชีวิตของผู้ปรารบความเปลี่ยนวันเดียวประเสริฐภิกษุลานั้นฟังเนื้อความนี้จากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนี้ ยืนจดคมมีดโกนที่ข้านคออยู่บรรลุพระอรหัตพระอรหั ต, ตมรรคเกิดขึ้นได้โดยขณะเพียงเท่านั้นหรือหนอแหลรพระชก้าพระศาสดากล่าวว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้ปรารจความเปลี่ยนยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเท้ายังไม่ทันถึงพื้นเลยพระอรหั ต, ตมรรค ก็เกิดขึ้นแต่จริงความเป็นอยู่แม้ชั่วกะของท่านผู้ป ร, รารณาความเพียนแปรเสิรฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้เกียจคร้านนังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสสนที่แสดงธรรมี่ได้ตรัสรากฐานิวาผู้ใดเกียจคร้านมีความเพียนเลวสามพึ่งเป็นอยู่ร้อยปี ความเป็นอยู่วันเดียวของท่านผู้ปรารจความเปลี่ยนมั่นประเสริฐกว่าชีวิตของผู้นั้นบาลีว่าโยจะวัสสตังชีเวกุสีโตหีนวีรโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวีริยังอาระพโตทันหังก็ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่ากุสีโตแปลว่าเกียกรตินได้แก่บุคคลผู้ยังเวลาให้ล่วงไปด้วยวิตกสามมีกามวิตกเป็นต้นคำว่าฮีนวีริโยแปลว่ามีความเพียนอันามคือไร้ความเพี่ยนคำว่าวีริยังอาระพะโจทันหังแปลว่า ผู้ปรารพความเพียรมั่นหมายความว่าผู้ปราศรพความเพียรมั่นคงซึ่งสามารถยังฌานสองประการให้เกิดคำที่เหลือเช่นเดียวกับคำที่มีมาในบทก่อนนั่นแหละในการจบเทสนาชนเป็นหนันกบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ เรื่องพระสัพปะทาสเถระ